อีกสูตรหนึ่งนะครับชาณสูตรชาณสูตรนะครับ ส, สูตรนี้ดีนะครับคล้ายๆกับสัพพาสะวะสังวรสูตร น, นะครับสองสูตรนี้คล้ายๆกันมากนะครับในข้อสองร้ดสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษ<ม>ุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราตถาคตไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็น เนี่ยนะครับคือคือพูดถึงอย่างนี้ก็ทําให้นึกถึงวันก่อนใช่ไหมครับที่พระรูปหนึ่งท่านมานะก็จะนั่งสมาธิให้นิ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะบรรลุมรคลใดมรคลหนึ่งเนี่ยนะโดยที่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะครับก็ลักษณะนั้นนะดนะัะนั้นตรงนี้นี่นะครับจะเป็นข้อความที่แก้ได้อย่างดีว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะคือสิ้นกิเลสนะครับกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐสะวะอวิชชาสะวะเนี่ยนะ ที่จะบรรลุได้สําหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะไม่คนที่ไม่รู้ไม่เห็นยังไงก็ไม่ได้บรรลุแน่นอนไม่ได้สิ้นอาสะวะแน่นอนถ้าไม่สิ้นอาสะวะแล้วจะทําให้แจ้งโสดาปติมัคสกะทาคามีานาคามีรหัตมัค ก, ก็เป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่เอาอาการที่นิ่งๆเป็นอาการที่บรรลุมรผลไม่ใช่นะครับพระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไร อาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะครับรู้ยังไงหเห็นยังไงจึงบรรลุว่างันเมื่อพิษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกอาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยอาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขนิโรธอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลอาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะสรุปแล้วก็คือรู้เห็นอริยสัจนั่นแหละครับจึงจักสิ้นอาสะวะถ้าไม่รู้เห็นอริยสัจอาสะวะสิ้นไม่ได้นะครับแล้วค์ ก, ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าปฐมยานคืออนัญญตัญญสามีตินรียย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้ศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางตรง ในเพราะโสดาปฏิมักอันเป็นเครื่องทํากิเลสทั้งหลายให้สิ้นตายนะครับถ้าจะปฏิบัติตามทางตรงก็จะถึงโสดาปฏิมักก่อนนะก็จะหมดกิเลสในส่วนนั้นธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงคืออันยินรียอันยอดเยี่ยมย่อมเกิดขึ้นในลําดับแต่ปฐมยานนั้นตั้งแต่ธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงคืออันยินรีย์นั้นไปวิมุตติยานอันสูงสุดย่อมเกิดแก่พระขีนาสพผู้พ้นวิเศษแล้ว ยานในอริยมรรคอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะและสังโยทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นว่าสังโยทั้งหลายสิ้นไปแล้ว อันนี้ก็กล่าวถึงว่าอาริยมรรคทั้งหลายคือโสดาปติมรรคสกทาคามิรรคอนาคามิรรคอะรหัตมรรคก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับตามสมควรเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าอะรหัตมรรคเกิดขึ้นแล้วอะรหัตผลก็เกิดเมื่ออะรหัตผลเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นปัจ เ, าาเจเวขนาญาณก็เกิดปัจเจเวขนาญาณเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลส ท, ที่ละไปแล้วพิจารณาพระนิพพานที่ทําให้แจ้งนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจรารณาอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าหมดกิเลสหมดอาสะวะสิ้นอาสะวะแล้วคนผ่านผู้เกียจคร้านไม่รู้แจ้งไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัตทั้งปวงนี้ได้เลยนะคนที่เกียดคร้านเนี่ยนะไม่รู้แจ้งไม่มีสัมมารประธานไม่มีปัญญาก็หมดสิทธิ์นะครับที่จะบรรลุแบบนี้ได้อัตัคถาชาณสูตรอธิบายว่า บทว่าชาณาโตแปลว่ารู้อยู่บทว่าปัสสโตแปลว่าเห็นอยู่นะครับก็ถ้าว่าบททั้งสองมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอาศัยลักษณะแห่งยานสแสดงอ้างบุคคลด้วยบทว่าชาณาโตเพราะว่ายานมีการรู้เป็นลักษณะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจของยานแสดงอ้างบุคคลด้วยบทว่าปั ส, สตโตเพราะว่าบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยยานอาศัยอำนาจของการเห็นจึงจะเห็นวิวัตะนะเห็นวิวัตธรรมทั้งหลายด้วยยานเปรียบเหมือนคนมีตาดีมองเห็นรูปทั้งหลายฉชนนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาอย่างกว้างขวางนะครับจึงจะมองเห็นพระนิพพานได้ อีกประการหนึ่งบทว่าชาณาโตแปลว่ารู้อยู่ด้วยอนุโพธิญาณบทว่าปัสสโตเห็นอยู่ด้วยปฏิเวธยานนะครับอริยสัจนี้มีการรู้ด้วยญาณสองญาณ น, นะครับคือชั้นต้นเลยคืออนุโพธยานนะครับชั้นหลังเรียกว่าปฏิเวธยานอนุโพธยาณเนี่ยนะครับในการแทงตลอดอริยสัจนับตั้งแต่การฟังเรื่องอริยสัจเป็นอย่างดีก่อนในชั้นต้นนะครับ ในชั้นต้นฟังอริยสัจมาเป็นอย่างดีว่าทุกเป็นอย่างไรทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขานิโรธเป็นอย่างไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนี่เป็นอย่างไรรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุอย่างไรบรรลุแค่ไหนนะครับอาศัยวิปัสสนาญาณโดยลําดับอย่างไรเป็นต้นเนี่ยจะต้องรู้อันนี้ให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าอนุโพธยญาณในชั้นแรกชั้นแรกเลยฟังมาเป็นอย่างดีนะครับระดับที่สองก็เริ่มบําเพ็ญสีและสิกขานะครับ บำเพ็ญอธิสีลสิึกษาที่จิตศิกษาอาธิปัญญาศิกษาเริ่มการพิจารณาอริยสัจนั้นอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาญาณโดยลําดับนะครับตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1 2ึ่งหเป็นต้นไปจนถึงโคตรภูญาณอันนี้เรียกว่าอนุโพธยญาณอนุโพธยญาณ น, นะครับส่วนปฏิเวทญาณก็คือในระดับขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นก็จะแทงตลอดนะครับก็จะแทงตลอดก็จะบรรลุแบบนั้น เพราะฉะนั้นชาณาโตนั้นหมายถึงอนุโพธยญาณ น, นะครับปัสะโตนั้นก็คือปฏิเวทญาณก็ทำให้เห็นว่าสัจญาณ น, นะครับญาณที่รู้อริยสัจมีสองญาณ น, นะครับคือโลกิยะกับโลกุตระนะครับที่เป็นโลกิยะเรียกว่าอนุโพธยญาณที่เป็นโลกุตระเรียกว่าปฏิเวทญาณ น, นะครับ อีกอย่างหนึง่งเมื่อว่าโดยปฏิโลมได้แก่เห็นอยู่ด้วยทัศนามัครู้อยู่ด้วยภาวนามัครนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดโดยปฏิโลมนะถ้าถ้าเห็นก็ต้องระดับโสดาปฏิมัครนั่นแหละครับถ้ารู้อยู่ก็ต้องด้วยสกทาคามียนาคามีและอรหัตตมัคเพราะฉะนั้นไอคำว่าชาโตปัสตโตนี่นะครับมีหลายความหมายหลายอาาัฏฐสถานในไหนก็เอาในนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่สังเกตก็คือ ถ้าจะให้เห็นชัดก็นะับตั้งแต่อนุโภธยานกับปฏิเวทยานนี่ในหนึ่งในหนึ่งก็โสดาปฏิมักกับมักที่เหลือนะครับฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่ารู้อยู่ด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปหานาปริญญาเห็นอยู่ด้วยวิปัสนาชั้นยอดนะครับอีกประการหนึ่งรู้ทุกโดยการรู้ด้วยการกําหนดรู้นะครับทุกขสัตว์ต้องรู้ด้วยปริญญานะ เห็นนิโรธโดยรู้ด้วยการทําให้แจ้งและเมื่อยานทั้งสองนั้นมีการรู้ด้วยการละและการเจริญก็เป็นอันสําเร็จแล้วทีเดียวนะครับถ้าหากว่าทำปริญญาในทุกขาริยศาสตร์ก็เท่ากับละสมุทัยเท่านั้นนะครับที่เห็นนิโรธสัตว์ได้ก็เพราะการเจริญอริยมรนะครับดังนั้นจึงเป็นอันตรัสรู้หรือว่าตรัสถึงการบรรลุสัจจะทั้ง4ี่ สัจจะทั้ง4ี่เลยนะครับแต่ในเรื่องนี้เมื่อใดท่านประสงค์เอาวิปัสนาญาณเมื่อนั้นพึงเห็นบททั้งสองคือชาณาโตกับปัสตูเป็นการแสดงถึงเหตุของมรรคแต่เมื่อใดประสงค์เอามัรคญาณเมื่อนั้นพึงเห็นว่าบททั้งสองแสดงกิจของมรรคนะครับขณะที่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีทั้งสองในบางในก็หมายเอาวิปัสนาบางในก็หมายถึงเอาขณะมัรคญาณ น, นะครับแต่นี้ก็เอาทั้งหมดเลยนะครับแทงตลอด ตังการนับตังแตต้นจนบรรลุจริงๆนะครับบรรลุอริยสัจจริงๆแต่การตรัสรู้อริยสัจ ต, ต้องเป็นไปตามลําดับจริงๆนะครับบทว่าอาสวานังขยังมีอธิบายดังต่อไปนี้นะครับคำว่าอาสวานังขยังเนี่ยนะที่แปลว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะครับมี4ในนะครับไอคําว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะในที่หนึ่งก็บอกว่าการละความสิ้นไปอย่างเด็ดขาดความไม่เกิดขึ้น อาการสิ้นไปความไม่มีแห่งอาสวะทั้งหลายเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนะครับหมายถึงอาการที่อาสวะไม่มีอยู่นะครับเรียกว่าอาสวานังขยังความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้ก็ยกข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรซึ่งพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายเราจะถาคตกล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่หรือในพระสูตรเป็นต้นว่าเจโตวิมุตติที่ไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วอันนี้หมายถึงอาการที่ไม่มีอาสวะนะครับหมายถึงหมดอาสวะเลยอย่างนั้นเถอะแต่บางทีพระองค์ก็หมายถึงเอาอาริยผลอริยผ ล, ลจิตนะครับเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนในสูตรที่ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปมันสับว่าเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปนี้หมายถึงผ ล, ลจิตนะครับโดยเฉพาะอารหัตผล บ า, บางสูตรนี่นะครับหมายเอานิพานนะชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะดังประโยคว่าอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล น, นั้นผู้มีปกติตามเห็นโทษของบุคคลอื่นมีปกติยกโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดบุคคล น, นั้นชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากความสิ้นไปแห่งอาสะวะอันนี้ได้แก่พระนิพานนะครับที่บอกโอ้คนที่เที่ยวเพ่งโทษคนอื่นในพวกนี้ห่างนิพา น, นเหมือนันะนะ นะห่างจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้หมายถึงนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เที่ยวเพ่งโทษโพรธนาคนนน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็เลวคนนั้นก็ใช้ไม่ได้คนแบบนี้ก็ไกลจากยยนิพพานนะครับในคาถาธรรมบทอ่ะนะที่พระภิกษุรูปหนึ่งทเที่ยวเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดนะครับไม่มีใครดีซ่าคนเลยนะในสายตาของท่านนะครับพระองค์ก็ตาหนิว่าเออเนี่ยนะคนที่ ตามเพ่งโทษคนอื่นแบบนี้นะอาสะวะกามาสะวะภาวาสะวะทิฐาสะวะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ว่านิพพานจะห่างบุคคลนั้นเข้าไปเตนทีแล้วว่างั้นนะนะอันนี้เขาเรียกว่านิพพานนี้เรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะตามคาถาธรรมบทแต่อีกบางแห่งเนี่ยนะครับอริยมรรคเนี่ยชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะเหมือนในอินทรียสูตรและก็ในชาณะ ส, สูตรนี้เนี่นะครับที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเสขับุคคลศึกษาอยู่ ข้อความก็ละแต่นั้นอรหัตผลย่อมมีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วยานย่อมมีแก่บุคคลผู้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามคาถานี้นะครับที่ยกมานี้หมายเอาอริยมรรคเพราะเหตุนั้นจึงมีคําอธิบายว่าเราตัศนคตกล่าวถึงการบรรลุอริยมรรคสําหรับพิสูจน์ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วนะครับสูตรนี้หมายเอาอริยมรรคนะหมายอริยมรรคนะที่ที่พระองค์ตรัสทีแรกใช่ไหมว่า เราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของพิสูผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของพิษูพู้ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ไอ้คำคว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนี้เป็นชื่อของอริยมรคนะนะทันความสิ้นไปแห่งอาสวะตรงนี้เป็นชื่อของอริยมรนะครับบทว่าโนอาชานโตโนจะอปัสโตความว่าก็บุคคลใดไม่รู้ไม่เห็น เราตถาคตไม่กล่าวการบรรลุอริยมรรคไว้สําหรับบุคคล น, นั้นนะครับถ้าไม่รู้ไม่เห็นนะผู้รู้เหล่าใดกล่าวความหมดจดจากสังสารวัฏไว้สําหรับบุ ค, คคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธผู้รู้เหล่านั้นด้วยบทนี้ว่า no, no. a c h a r โตโนจะอปัส s t o นะครับไม่เป็นไปไม่ได้ะนะไม่รู้ไม่เห็นวจะบรรลุอะไรเลยนี่นะครับ บรรลุแล้วแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยบรรลุอะไรนะครับและกิเลสมันหมดเพราะอะไรก็ยังไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั่นนะเขาให้จบปริญญาโดยที่ไม่มีความรู้สักอย่างเล ย, เ น, ยนะครับเอาไหมครับเขาเรียกไปที่ไหนเขาก็เรียกด็อกเตอร์นะหรือว่าไปที่ไหนจบปทอ .9 นะบาลีแปลไม่ได้สักตัวเนี่ยเอาไหมครับเสียหายมากนะครับก่อนอนุญาตในปัจจเวคณะวิถีของผู้ที่รู้ รู้แจ้งธรรม ะ, ะชั้นไดชั้นหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าถ้าสําหรับคนที่ไม่รู้ปริยัตินะครับก็จะรู้ว่าตัวเองละกิเลสลายแล้ได้แล้วบ้างแต่จะไม่รู้ว่ากิเลสอะไรบ้างที่ยังเหลืออย่างนี้อย่างนี้ผมจํามาผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับในมหานามะนะครับพูดถึงพระเจ้ามหานามะ อ, อไม่มี ไม่มีปัจเจเวคณาญาณที่พิจารณามักกิเลสที่ยังเหลือก็มีนะครับที่เรียกว่าปัจเจเวคณาญาณ19นั้นไม่ได้มีสําหรับทุกคนนะครับไม่ได้มีสําหรับทุกคนบางท่านก็ไม่มีก็ยกตัวอย่างที่พระเจ้ามหานามะนะครับบรรลุสกธาคามีมักแต่บางครั้งโทสะเป็นต้นก็ยังกําเริบอยู่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราบรรลุแล้วทําไมยังมีโลภะเป็นต้นอยู่ พระพุทธเจ้าก็บอกอพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะว่าไม่ได้บรรลุชั้นสูงนะไม่ได้บรรลุอรหัตมรรมกเนินนะอย่างไรเสียก็ยังมีโลภะโทสะอยู่แล้วแต่ทีนี้ที่ท่านยังถามพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นเนื่องจากไม่มีปัจจเวคขณะญาณข้อที่ว่าพิจารณากิเลส ท, ที่ยังเหลือนะครับไม่มีปัจจเวคขณะยานอนนั้นทําให้เห็นว่าภาริยาบุคคลไม่ได้มีปัจจเวคขณะญานครบถ้วนบริบูรณ์ทุกท่านนะครับโอกาครับ okay. ผู้ที่บรรลุสกทาคามีเนี่ยท่านจะรู้เองใช่ไหมครับว่าตัวเองนี้ได้บรรลุแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ใครไปยากร่อครับก็บรรลุแล้วเพราะเห็นอริยสัจหรือแทงตลอดอริยสัจนะครับไม่ต้องมีใครมาบอกว่าฉันบรรลุแล้วนะอย่างงั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังอยู่เขาก็อยากไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคนะครับเหมือนกับว่า ได้ยศได้ตำแหน่งอ่ะนะได้ยศได้ตำแหน่งขึ้นแล้วก็อยากจะไปหาคนที่ให้ยศให้ตำแหน่งนั้นมานะครับเพราะว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่เข้าถึงยศถึงตำแหน่งนั้นนั้นจริงๆแต่จิตที่คิดจะอวดบอกกล่าวกับคนอื่นนี่ไม่มีนะครับเหมือนกับผู้ที่ร่ำรวยมีขุมทรัพย์จริงๆก็ไม่ได้อยากบอกใครหรอกครับอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุบายไว้ด้วย2บทแรกตรัสปฏิเสธถึงสิ่งที่ไม่ใช่อุบาย ด้วยบทว่าโนะอาชาณโตโนะอปัสโตหมายคามว่าอุบายของการบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะครับต้องมีสำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะส่วนสิ่งที่ไม่ใช่อุบายคือผู้ไม่รู้ไม่เห็นนะครับอันหนึ่งเมื่อว่าโดยย่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในสูตรนี้ว่ายานเป็นเครื่องทำอาสวะให้สิ้นไปที่เหลือเป็นบริบริารของยานนั้น ก็บริการก็คือเครื่องแวดล้อมของยานนั่นเองนะครับบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงยานที่บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเริ่มปุจฉาว่ากินจะพิกเวชานโตรู้อะไรภิกษุ์ทั้งหลายนะรู้อะไรจึงบรรลุล่ะที่พระ อ, องค์ตรัสว่าก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะครับในคำว่ากินจะพิคเวชาณโตนั้นเมียทีบายดังต่อไปนี้ความรู้เนี่ยมีมากอย่างนะชาณโตเนี่ยนะคว่ารู้รู้เนี่ยรู้รู้เยอะแยะไปหมดแลวว่างั้นเถอะบอกว่าภิกษุบางรูป เป็นผู้มีปัญญารู้จักทำร่มทำร่มคือทำกรดทั้งหลายเนี่ยนะบางรูปรู้จักทำจีวอนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพิสูนนั้นดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติทำงานเช่นนี้ความรู้นั้นไม่ควรกล่าวว่าไม่เป็นปัทถาฐานคือเหตุใกล้ของมรรคผลหมายค่ะว่าดำรงอยู่ในข้อวัดนะครับแต่ไม่ใช่ทำไม่เสร็จทำไม่เลิกทาเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เคยกล่าวตาหนิไว้ในครั้งก่อนๆ น, นะครับ นะที่ว่ายินดีในการงานนะนะคือทําเป็นเวลําเป็นเวลาทํารู้จักทำนะครับโดยที่ไม่ขัดต่อสมถาวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปกล่าวนะว่าไม่เป็นเหตุใกล้ของมรรคผลส่วนพิกษุใดบวชในาศาสนาแลว้วรู้จักทําเวชกรรมนะรู้จักเป็นหมู่เป็นหม้อเนี่ยนะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่พิกษุนั้นนั่นเองผู้รู้อย่างอยู่อย่างนี้นะครับรู้แต่เรื่องปรุงยุ่ปรุงยารู้แต่เนี่ยนะ อเนสนากรรมทั้งหลายเนี่นะครับเป็นไปเพื่อประจบประแจงที่ยวรักษาโรคภัยไข้เจ็บของญาติโยมทั้งหลายนี่นะครับเขาบอกว่าอาสะวะทั้งหลายเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสําหรับผู้รู้อย่างนี้ข้อความตรงนี้นะครับไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวนะครับแม้แต่ในอัตกถามูลปริยยสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้เหมือนอข้อภัยสภาสะวะสังวรสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้นะครับ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเฉพาะเรื่องที่รู้เรื่องที่เห็นที่เป็นเหตุให้อาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงตรัสคําว่าอีทางทุกขังเป็นต้นนะนะต้องรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธคา ม, มินีปฏิปทาน น, นั่นแหละในคํานั้นมีอธิบายดังต่อไป น, นี้สัจจกรรมฐานสี่นะครับคือกรรมฐานที่มีสัจจะสี่เป็นอารมณ์นะอันใดที่ควรกล่าวไว้แล้ว สัจจกรรมฐานนั้นได้กล่าวไว้แล้วโดยสังเขปแลในโยนิโสมานสิการสูตรในตอนต้นนะครับวิธีการพิจารณาเริยสัตย์เคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าพิจารณาทุกอย่างไงทุกขสมุทัยอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งในคํานั้นท่านได้ทําการขยายความไว้โดยในเป็นต้นว่าภิกษุทําไว้ในใจโดยแยกขายวันนี้ทุกขเพราะมีหลักฐานมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อทําไว้ในใจโดยแยกขาย ย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้นะครับสูตนนี้ก็เคยกล่าวไปแล้วนะครับในที่นี้พึงประกอบเข้าตามในเมียที่ว่าภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่โดยมัรคยานด้วยอำนาจแห่งการแทงตลอดด้วยปริญญาคือด้วยการกำหนดรู้ด้วยปริญญาว่านี้ทุก เพราะว่ามีหลักฐานมาแล้วว่าดูการพิสูจนทั้งหลายเมื่อพิสูุรู้อยู่เห็นอยู่วันนี้ทุกอาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปนะครับอันนี้หมายถึงเอาอริยมรรคกันนะที่ทําปริญญาในทุกขสัตว์นะนะอันหนึ่งเพิ่งทราบว่าอาสะวะทั้งหลายที่ถาสะวะสิ้นไปเพราะโสดาปฏิมรรคนะครับคือปฐมมรรคเนี่ยนะการมาสะวะสิ้นไปเพราะ ต, าตัตยมรรคคืออนาคามิมรรคภาะวะและอวิชชาสะวะสิ้นไปเพราะจะตุธรมรรคนะครับ เพราะว่ายานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสะวะได้แก่อริยมรคยานนะครับขณะที่อริยมรคยานเกิดขึ้นนะอาสะวะจึงจะสิ้นไปเพราะฉะนั้นอาสะวะขยายานก็คืออริยมรคนั่นเองนะครับโสดาปฏิมรคก็หมดทิฏฐานสะวะอนาคามิมรค ก, ก็หมดกามาสะวะอรหัตตมรค ก, ก็สิ้นภาวาสะวะและอวิชชาสะวะนะครับส่วนในค้าถาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บทว่าวิมุตติญาณังได้แก่ปัจเจเวขณาญาณในวิมุตตนิพพานและผลคือปัจเจเวขณาญาณที่พิจารณาวิมุตตคือมัคอะนะพิจารณานิพพานแล้วก็พิจารณาผลบทว่าอุตมังได้แก่ชื่อวสงสุดเพราะมีธรรมะขั้นสูงสุดเป็นอารมณ์คือมีนิพพานเป็นอารมณ์บทว่าขเยญาณังได้แก่ญาณคือความรู้ในความสิ้นไปแห่งอาสวะและสังโยชน์คือในอริยมัค อันทำอาสวะและสังโยชนให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นอายานที่ทําให้สิ้นอาสวะคืออาริยมรรคยานนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วควรนํามาเชื่อมไว้แม้ในที่นี้ว่ า, ายานว่าสังโยชนทั้งหลายสิ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงการพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วด้วยบทว่าขีนาสังโยชนาอิติยา น, นังปัจเวคานายานทั้งสี่เป็นอันท่านกล่าวไว้แล้วในที่นี้ดังพันณาา ม, มาชนินีนะครับ คือปัจเจกคณายาของพระทหารนี่มี4อย่างเท่านั้นนะครับ1พิจารณามรค2พิจารณาผล3พิจารณานิพพาน4พิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วนะครับพิจารณาสอย่างพอไม่ต้องพิจารณากิเลส ท, ที่เหลือแล้วใช่ไหมเพราะว่ากิเลสมันหมดแล้วอะ่ะปัจเจกขณายาทั้ง4เป็นอันกล่าวไว้ในที่นี้ดังพันามาชนิแท้จริงพระสูตรนี้ไม่มีการพิจารณาถึงกิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งถึงการบรรลุอรหัตผลของสูตรนี้ไม่ธรรมดานะคนที่รู้อยู่เห็นอยู่จึงจะบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะก็นู่นนะครับระดับอรหัตมรรคนี่แหละอันหนึ่งในบทว่าชาณาโตปะสะโตัสสนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกิจของสัมมาทิฏว่าสําคัญยิ่งในการบรรลุนิพพานฉันใดแม้เมื่อจะทรงแสดงว่า แม้กิจของสัมมปทานก็จำต้องปรารถนาให้ยิ่งฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าณเตววิธังกุสีเตนะนะครับเพราะว่าคนพานผู้เกียรครั้นไม่รู้แจ้งก็ไม่บรรลุนิพพานการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะ อะไรครับสำคัญมากต่อการบรร ล, ลุก็คือสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานะครับเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวบรร ล, ลุมรรคผลที่เหลือเป็นบริขารของปัญญานะครับเป็นเครื่องแวทล้อมปัญญานะครับนั่นนะทีนี้คนที่บรร ล, ลุได้จะต้องมีสัมมาประธานผู้ที่ไม่บรร ล, ลุเพราะขาดสัมมาประธานสัมมาประธานนะครับเป็นเครื่องเกือ้อกูลต่ออริยมรรคปัญญานะครับเพราะฉะนั้นสัมมาประธานนั้นมีความสําคัญมากพระองค์จึงตรัสว่า คนพาลผู้เกียจคร้านไม่รู้แจ้งไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนี้ได้เลยนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณเนะตะเววิทังเป็นต้นนี่นะครับก็ในบทนี้มีความย่อดังนี้ว่านิพพานนี้เป็นเครื่องเปลื้องคันทะคือกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมดนะครับมีอภิชากายคันทะเป็นต้น คือเป็นนิมิตคือเครื่องหมายแห่งการเปลื่องการพ้นซึ่งจะบรรลุได้ด้วยเสกขมักและอเสกขมักอันบุคคลผู้ไม่รู้แจ้ง ส, รรจสัจจะสี่ตามความเป็นจริงโดยในเป็นต้นว่านี้ทุกนะใครที่ไม่รู้จักอริยรรสัจสี่ตามความเป็นจริงนะผู้ชื่อว่าเป็นคนโง่ว่าเราเนี่ยนะชื่อว่าเป็นคนโง่นะครับคือผู้ไม่เข้าใจเพราะไม่รู้แจ้งนั่นนั่นแหล ไม่สามารถบรรลุได้ฉันใดนะคนโง่คนเขลาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอริยศาสตร์เลยนะครับจะบรรลุได้ยังไงเหมืนั้นแม้บุคคลผู้เกียจคร้านไม่มีความเพียรก็ไม่สามารถบรรลุได้ฉันนั้นนะฉลาดดีใช้ได้นะครับแต่ไม่ภาคเพียรอะไรเลยซ า, ากอย่างเนี่ยนะวันวันหนึ่งเนี่ยคําว่าทุกข์ไม่เคยมีอยู่ในหัวใจเลยเัมืนั้นเถอะไม่เคยเก็บเอามาคิดอย่างนี้คนประเภทนี้ก็ไม่คู่ควรแก่การบรรลุเหมือนกันนะครับเมื่อวานสนทนากันว่าเออจกักขุ จักรุสมุทยัยจักรุนิโรธจักรุนิโรธาคามินีปฏิปทาตั้งกระบวฏมาคิดกี่ครั้งนั่นะบอกว่าคู่ควรไหมที่จะบรรลุเนี่ยนะฮนะนัะก็กิจอริยสัจไม่ได้ทําสั ก, กอันเลยเนาะนี่หนักหนาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกียรตคร้านี้ไม่สามารถจะบรรลุได้นะครับแต่ก็ที่จริงเราก็ป้วนเปี้ยนศึกษาเรียนรู้นี่นะครับแต่ว่ายังประมวลเรื่องไม่ค่อยได้นะักนะ แต่ก็ถ้าไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เร่งถ้าจนไฟไฟไหม้มอข้าวซะ ก, ก่อนนะคงมีข้าวสุกให้ได้กินแน่แล้วมันออได้ยินขอโอกาสครับได้ยินว่าคนที่ถูกขนานนามว่าผู้ดีปารอความเพียรก็คือผู้ที่สามารถเมื่อการมวิตกเกิดขึ้นในขณะยืนขณะเดินขณะนั่งขณะนอนอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะกดจะข่มจะทำร้ายได้เนี่ยหรือว่า การมรวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทั้งสานี้ด้วยว่าเราขอให้อาจารย์ขยายตรงนี้หน่อยว่าเป็นอย่างนี้ไหมด้วยว่ามีความเข้าความอะไรเพิ่มเติมเพียนเพื่อกําจัดอกุศลวิตกนะครับคือสามประธานนี่มีสี่อย่างนะครับหนึ่งเพียนกําจัดอกุศลวิตกทั้งหลายสองเพียนระวังไม่ให้อกุศลวิตกนั้นเกิดขึ้นสามเพียนเจริญเนฆะคัมวิตก แล้วก็เพียรรักษาเนคข ม, มวิตกให้ยาวอย่างต่อเนื่องไปอันนั้นนะครับนั่นแหละลักษณะของส ม, มประทานนะครับพราะเนคข ม, มวิตกนี่นะครับการเจริญวิปัสสนาการพิจารณาริยสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าเนคข ม, มวิตกแล้วนะครับอย่างนีน้ถ้าหากว่าวิตกที่มาพิจารณาแบบนี้น้อยก็เนคข ม, มวิตกก็อ่อนก็เรียกว่าคนขาดความเพียร น, นะครับกุสีโตหีนาวิริโยนะครับ ก็การครับอย่างเช่นว่าคนที่เขาเจริญอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นเป็นสมถะอย่างเช่นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนไหมมีครับแต่เชื่อไหมว่าพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นไม่ได้ทิ้งอริยสัจเลยอรหังก็ไม่พ้นอริยสัจสัมมาสามัมพุทโธก็ไม่พ้นอริยสัจวิชาจารณะสัมปันโนก็อริยสัจสุขโตก็อริยสัจโล ก, ก็วิถูกันอริยสัจ ปุริสธรรมสารติก็อริยสัจศาสถาเทวมนุษยานังก็อริยสัตจพุทโธก็อริยสัจภะคะวาก็อริยสัต์สวาคาโตก็คําสอนเรื่องอริยสัต์นะครับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็บรรลุอริยสัต์นะครับเพราะฉะนั้นเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเถอะครับไม่มีพ้นอริยสัต์เลยนะครับแต่ถ้าเจริญไม่ถูกก็ห่างอริยสัต์เหมือนกันนะครับอย่าั้ พอกันครับเอ้ก็เจริญอนุสตินี่มันเป็นลักษณะของสมถะกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ไปพูดถึงมิปัสนาไม่ใช่เลยครับครับพระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติดีใช่ไหมครับครับปฏิบัติดียังไงครับอย่างไรชื่อว่าสุปฏิปันโนอย่างไรชื่อว่าอุชุปฏิปันโนอย่างไรชื่อว่ายาญะปฏิปันโนอย่างไรชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโน ผู้ที่ตั้งเขากันผู้ที่ตั้งอยู่ในไตสิกขาเ ร, ราไตาสิกขาห่างยังไงจากอริยสัจครับอาทิศีลสิกขามีอะไรเป็นอารมณ์อาทิจิตสิกขามีอะไรเป็นอารมณ์อาทิปัญญาสิกขามีอะไรเป็นอารมณ์นะครับพอพูดถึงปัญญาก็ต้องรู้ว่าปัญญานี้เขารู้อะไรนะครับพูดแต่ไฟฉายเฉยๆไม่รู้ว่าไปส่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดแสงสว่างก็ทึกพูดถึงสิ่งที่ถูกส่องให้สว่างด้วยนะครับ ปัญญานี้เป็นเรื่องของความรู้ถามเข้ารู้อะไรก็รู้อริยสัจนะครับว่าปัญญาสิกขามันรู้อริยสัจอยู่แล้วมันพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีนะสุปฏิปันโนคือปฏิบัติตามคําสอนทั้งหมดอุชูปฏิปันโนปฏิบัติเว้นอัตตากิรัสมถานุโยคเว้นการมัศุขาลิการุโยคเพราะปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็รู้อริยสัจนะครับสัมมาสังกัปปะก็เอาเรื่องอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละครับมาตรึก ข้างก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับยายะปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อให้แจ้งพระนิพพานนะครับเพราะไม่งั้นเราก็เจริญชื่อท่านนั่งนึกเออสารีบุตรพระโมกัลานะพระมหากระสปะพระอนุรุธก็ยังดีกันนึกถึงคนอื่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้าถึงสังขารคุณอย่างแท้จริงออก็นึกถึงแต่ชื่อท่านนะครับเพราะต้องนึกถึงความปฏิบัติดีของท่านความปฏิบัติตรงของท่านเป็นต้นนั่นเองนะครับก็อารหังอารหังเนี่ยไกลาจากกิเลสไกล ย, ยังไง เป็นต้นนะครับอรหังเนี่ยคืออะไรไกลาจากกิเลสอะไรคือกิเลสนะครับกําจัดค่าศึกคือกิเลสมันกําจัดได้ไงก็จํากัดกําจัดด้วยมรมรคืออะไรนะครับก็ต้องทําความเข้าใจทั้งหมดนั่นนะครับจึงจะเจริญถูกนะครับแต่ก็ดีกว่าเจริญอย่างดีกว่าถ้ามาทรงจําก็สาธยายตามนี้ไปก่อนก็ดีกว่าอย่างอื่นนะครับดีกว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะครับที่คิดแล้วบุญไม่เกิดเนี่ยนะอย่าไปคิดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่จำปรารถนาในการบรรลุพระนิพพานก็ต้องมีความเพียรพยายามนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านเธอทั้งหลายจงปรารบความเพียร น, นี่นะครับจงบากบันจงประกอบอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเธอขอเธอทั้งหลายจงทำลายเสนามรตยให้เหมือนช้างทาลายเรือนไม่อ้อฉะนั้นเธอสนะครับ นี่ก็เป็นพุทธโอวาทนะครับให้ปรารบความเพียรให้บากบันอยากเกียดคร้านนะแล้วก็มันประกอบอยู่ในคำสอนของพระ อ, องค์นี่แหละนะครับจงทำลายเสยนาแห่งความตายเหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้อฉะนั้นนะครับนะหักให้มันล้มระเนระนาดได้โดยที่ไม่ยากนักนะครับนี่ก็ข้อความในชาณสูตรที่สามนะครับ